ยาีเรียเรื่องคนบ้าหวยหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่อำเภอท่าวงลบบุรีให้หวยแม่นมาก คนถูกติดต่อกัน4ถึงห้างวดแล้วร่ำรวยกันท่วนหน้างวดที่แล้วเมื่อวันที่ส0หลวงพ่อให้หวยอีกคราวนี้ถูกเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงคือถูกจังๆถูกเต็มๆเลยออกตรงเพะเพะไม่ต้องกลับเลยพอถึงงวดวันที่15ห้านี้คนแห่ไปขอหวยกันมืดฟ้ามัวดินไปหมด รถติดยาวเหยียดเป็นสิบสิบกิโลงวดนี้หลวงพ่อเลยให้เลขเด็ดเป็นโค้ดให้ปิตีเป็นเลขกันเอาเองท่านให้โค้ดว่านนพวกที่ได้เลขเด็ดพอกลับมาถึงบ้านก็บอกต่อๆกันไปบอกว่าหลวงพ่อองค์นี้แม่นมากให้ถูกตรงตรงติดต่อกันมาหงวดแล้วเลขนี้ถือเป็นทีเด็ด มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีทรัพย์สมบัติอะไรขายให้หมดแล้วเอามาแทงหวยรับรองรวยแน่คราวนี้พอถึงวันหวยออกคนแห่กันมาที่กุฏิหลวงพ่อมืดฟ้ามัวดินมากกว่าวันที่มาขอหวยเกือบสิบเท่าเปล่าไม่ได้แห่กันมาแก้บนหรอกแห่มากันจะเผากุฏิ ก็หวยงวดนี้มันออก9ก้าเก้าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าอาจารย์ให้หวยผิดละสิชาวบ้านที่แหกกันมาต่างชักปืนออกมายิงกุฏิซับพรุนจุดไฟเตรียมจะเผากุฏิอยู่แล้วตะโกนว่าหลวงพ่อให้หวยผิดหลวงพ่อบอกให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วชี้แจงว่าท่านไม่ได้ให้หวยผิดท่านให้ถูกตรงเพลง โดนสองตัวจังๆแบบไม่ต้องกลับเลยมีชายผู้หนึ่งตะโกนออกมาว่าถูกยังไงวะท่านให้นอนนอนแต่หวยออกเก้าเก้าหลวงพ่อตอบว่านอนอนนั่นแหละถูกกูให้ถูกตรงเพะเลยถูกยังไงหลวงพ่อก็หวยมันออกเก้าก้าก็นอนนอที่กูให้นะ่ะ กูหมายถึงนายตีนายโว้ยเลขจากอาจารย์ใบหวยมันดิ้นไปตลอดนั่นแหละใบไปอย่างนั้นทายไปอย่างนี้แต่ผลที่ออกหมดตัวเชื่อเถอะเล่นหวยรวยยากขยันทามาหากินสิเงินทองกองอยู่ข้างหน้าเห็นเห็น